ทีนี้ถ้าการเจริญสติปัฏฐานหรือเจริญระดับอนุปัสนาไม่ได้ไม่เป็นอย่าหวังเลยว่าจักแทงตลอดอสังคาธาท่านถ้าเจริญอนุปัสนาไม่เป็นนะ ในระดับอนุปัสนาที่ตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่เห็นโดยความเป็นสุขไม่เห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินไม่เห็นโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่ยุดราคาเนี่ยนะไม่เห็นโดยความดับไม่ใช่สร้างขึ้นตามเห็นโดยความสละคืนหรือก็เรียกว่าปฏินิสขาเนี่ยสละคืนไม่ใช่ถือมัน ถ้าไม่เข้าใจไอ้ข้อปฏิบัติอันนี้เนีเอาเหะไม่มีใครออกได้เพราะทางอื่นไม่มีจริงๆเพราะฉนก็อนุปัสนาเจตในรูปขันอนุปัสนาเจตในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนั่นคือทางออกถ้าไม่รู้ทางออกอันนี้เนี่ยนะหรือเจริญวิปัสสนาระดับนี้ไม่ได้ที่จะเห็นคุณแห่งพระนิพพานก็ไม่ใช่ฐานะ ถ้าไม่รู้คุณของพระนิพพานที่จะดับวัตะได้ก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เรียกว่าคุณบนมีไปอ่านไหมล่ะใช่อนุรธธุตธสูตรมีเนื้อหาว่ายังไงบ้างบอกอะไรคื อ, อที่เหล็กเล่นไม่ได้หที่ไม่ลเลอ่าพอละอ่เธอบอกว่าสูตรนี้บอกเลยนะว่าธรรมะในาศาสนานี้อะนะน คือธรรมนี้ธรรมนี้โลกุตระธรรมนี้นิพพานนี้เป็นของผู้มีความไม่คลุกคลีเป็นที่มายินดีไม่ใช่ของคนคลุกคลีอนะเป็นของผู้ที่มีความมักน้อยเป็นที่มายินดีไม่ใช่มักมากเป็นของคนสันโดษเป็นที่มายินดีไม่ใช่ของคนไม่สันโดษอนะสรุปว่าเป็นของคนมีศรัทธา ธรรมะนี้เป็นของผู้ปรารบความเพียนไม่ใช่ของผู้เกลียดร้อนเป็นของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของคนหลงลืมสติเป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุงรร้งซ่านเป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่เขลาธรรมะนี้เป็นของผู้ที่ไม่มีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในความเนิ่นช้าเขาต้องมีใจรักในพระนิพพานอย่างแรงกล้าซึ่งไอตรงนี้เขาต้องแยกแยะออก แยกแยะในระหว่างสองฝ่ายให้ออกแยกแยะระหว่างวัตตะกับวิวัตตะแล้วยินดีในวิวัตะอย่างแรงกล้าทีนี้อย่าลืมนะว่ายินดีในวิวัตตะอย่างแรงกล้าไม่ใช่ไปด้วยเท้าะนะโอ้เนี่ยจะรีบไปนิพพานแล้ววิ่งเลยนะออกวิ่งเลยจะถึงไหมเนี่ยนะโอ้พอฟังยังเขามีศรัทธาอยากบรรลุนิพพานเลยนะเตรียมตัวออกวิ่งเลยนะแม้รองเท้าก็ไม่เอาด้วยผ้าก็ไม่เอาวิ่งไปเลยนะคิดว่าจะถึงหรือ ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่านิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในทิศทั้งสิอ่นะนิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ในทิศทั้งสิบใช่ไหมทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเฉียงเฉียงทั้งสิบทิศไม่ได้อยู่ณที่นั้นอ่นะถ้าใครไม่เข้าใจอริยสัจหรือเรีย น, นอริยสัจไม่เพียงพอเนี่ยนะหรือตรึกอริยสัจไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะออกจากวัตะหรือที่จักแทงตลอดพระนิพพาน พันสูตรที่เราเรียนผ่านมาแม้กระทั่งสติปัฏฐานโดยเฉพาะสาจัจจะ บ, บัพพะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเอาไปคิดให้มากๆเลยนะอย่างวันนี้ทุกขเห็นงนไข้ทีบอกนี้ทุกอนี้ทุกข์เจ็บปวดมาเลยใช่ไหมเขาจึงมานะทาไมปวดมาทำไมมาลอกอนี้ทุกขนะ์นะทีนี้แล้วพวกที่มีความสุขแเ้าก็เห็นวันนี้ทุกเพราะวิปรินามะทุก สิ่งที่เหลือทั้งหมดนี้ทุกคือสังขาระทุกอันในคว่านี้ทุกคือนี้ทุกขะทุกนี้อะไรวิปริณามะทุกนี้สังขาระทุกข์ <c oughs> ก็ต้องเอาไปฝึกคิดบ่อยๆนะนะ <c oughs> ก็ตามารับอารมณ์อะไรก็ตามมานัศการอารมณ์อะไรก็ตามนี้ทุกเนี่ยนะนี้ทุกไหนนี้ทุกขะทุก นี่วิปริณามทุกข์นี้สังขารทุกคือไอความคิดอันนี้ต้องมีเพราะสังขารทั้งหลายเนี่ยนะไม่พ้นจากทุกขะทุกไม่พ้นจากวิปริณามทุก์ไม่พ้นจากสังขารทุกข์ อย่างทุกข์ทุกคือทุกกายและอะไรเสียใจเนี่ยนะทุกกายกับเสียใจหรือทุกกายทุกใจนี้ทุกอนะดูหน้าใครเนี่ยไม่มีพ้นเลยสักคนเดียวพ้นไม่คิดว่าจะพ้นไหมนี้ทุกทุกกายทุกใจเนี่ยนะหายากเต็มทีที่พ้นจากความทุกข์กายทุกใจวิปริณามาทุกถึงขนาดนั้นเข้าหัวเราะอยู่นะ ถึงเขาดูสบายเพลิดเพลินยิ้มแย้มแจ่มใส ร, ร่าเริงเต็มที่นานไหมไอความสุขอันนั้นจะหัวเราะได้สักกีนนาทีเชียวนะเคยเคยเห็นลูกที่ป่วยไหมเดี๋ยวมันก็หัวเราะมาภาพเดียวนาะทีเหลือมันร้องไห้ทั้งวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนีออ้วิปริณามาทุกข์นะพันธ์ความสุขสุกกายหรือสุขใจก็ตามเที่ยงไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะเดี๋ยวก็หมด นะเดี๋ยว ห, หน้าหัวเราะอย่างนี้หลยร้องให้ดีนักแลนั่นนะก็บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนที่หัวเราะคำคิกๆๆนะไอ้โห้ยนั่นแหละเจ้าน้ําตาเลยแล้วก็ถึงสับพระสิ่งทั้งหลายก็ยังเป็นสังขารทุกข์คือถึงจะเป็นอุเบกขาเวทนาก็ตามรูปตะขันก็ตามเนี่ยนะขันที่เหลือก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัญญา สังขารหรือวิญญาณขันธ์ก็ตามพวกนี้ก็อนิจจังมีแน่นอนมั่นคงไหมเนี่ยนะมีไหมที่จะดำรงอยู่ในสภาพเดิมก็ไม่ใช่ฐานะใช่พันรับมณสิการอะไรนะที่พระองค์บอกวันนี้ทุกอันนี้ใช่เลยนี้แต่ถ้าจะขยายมาอีกก็คือเนี่ยทุก์ตั้งแต่สิบสองอย่างนะทุกสิบสองอย่างคืออะไรชาติที่ทุก ชราทุกขมรณะทุกขโสกะทุกขปริเทวทุกเนี่ยนะทุกขะโทมณัสสะอุปาญาตเนี่ยนะวิปโยคทุกขสัมประโยคทุกอะนะแล้วก็อิจฉาทุกเนี่ยนะอิจฉาหมายคือว่าปราถนานะอยำปิดชังแล้วเราปิตสมปิดทุกขังก็คือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข พันก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทั้งหมดนั้นอะคืออะไรทั้งหมดที่ว่าคืออุปาทานขันห้าใช่ไหมเนี่ยคือภาชนะรองรับทุกที่จำไม่ไดพูดเมื่อกี้นหะตัวขันห้านี่แหละคือตัวภาชนะรองรับทุกหรืออีกในหนึ่งอะนะ ต, ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวภาชนะรองรับทุก ถ้าตาไม่เห็นเราจากเสียใจไหมอะไนระก็สูตรในในสูตรหนึ่งนะที่พระองค์ตรัสกับพระถ้าอะไรพราอะไรนะจำชื่อ ไ, ได้ถ้าเธ อ, เอมาลงกระยะพระมาลงกระยะเนี่ยนะถ้าสีนั้นเธอไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่ได้คิดจากเห็นด้วยไม่คิดว่าต้องเห็นไม่ใช่กำลังเห็นอันนี้อันนี้พูดโดยอัฏถานนะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไม่เคยเห็นที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเลยไม่คิดจะเห็นด้วย แล้วก็ไม่ใช่กำลังเห็นด้วยเราจากเสียใจไหมนะนะไม่ได้คิดจะเสียใจกับวัตถุนั้นเลยเด็ดขาดแต่แสดงว่าถามว่าไอการเรื่องการเห็นเห็นทั้งหลายอาศัยอะไรันตัวที่รองรับในการเคยเห็นจักเห็นกำลังเห็นก็คือตัวตาฉันตาเนี่ยถ้าถ้าใครที่ไปอาศัยการเห็นแล้วติดข้องในพวกนี้นะจะตามด้วยทุกข์ทั้งหลายนะทุกข์ ทั้งที่เป็นทุกขกทุกวิปรินามทุกและสังขารทุกข์มันทุกครั้งที่เราเห็นนะวัตถุที่เราเห็นอย่าคิดนะว่าวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุก์ตั้งกตเกิดมาเคยเห็นอะไรบ้างที่ไม่เสียใจในภายหลังเลยมีไหมคุณหมออินสร์เคยมีบ้างหมไอ้ที่ไปเห็นแล้วอะเห็นเห็นสิ่งนั้นแล้วไม่เคยเสียใจอีกเลยเพราะวัตถุนั้นเนี่ยมีหม เชื่อเลยว่าไม่มีในที่สุดนะแม้กระทั่งเห็นตอนนั้นดีใจก็จริงแต่ตอนหลังพอมีปัญญาบ้างรู้ว่าไอการเห็นตอนนั้นน่าเสียใจอย่างอย่างว่านะอย่างพูดเมื่อกี้ว่าเขามาใส่เบ็ดกบเป็นต้นใส่เบ็ดปลาเนี่ยตอนเห็นปลาติดเบ็ดกบติดเบ็ดถามว่าเสียใจไหมบอกดีใจมากโอ้โหยิ่งตัวใหญ่ๆด้วยเรายิ่งปลื้มเลยนะนักปลืม้มไม่ใจนิด นะเนี่ยยิ้มแน่คนอื่นต้องชมเราแน่ที่เราหาได้ตัวใหญ่หาเก่งเนนะดีใจตอนนั้นน่ะดีใจแต่ถามว่าหลังจากนั้นมาอะไรได้ตอนนี้ได้อะไรได้ทุกข์ค่ะทุกข์พอนึกเมื่อไหรก่ก็ไม่น่าทำเลยเนี่ยในอย่างหนึ่งหรือบางอย่างเนี่ยแม้กระทั่งไปเห็นท้องไร่ท้องนาะเห็นเลือกสวนเห็นที่ไหนก็ช่างมาเถอะ แล้วเห็นตอนนั้นไม่ได้เจริญกรรมฐานอะไรเลยไม่มีศีลสมาธิตัญญาไม่มีทานนกะุศลอะไรเกิดเลยก็มานึกเสียใจอีกว่ า, านะสมมติว่าวันนี้เนี่ยไปทําอะไรมาเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่กุศลอ่ะนะพอมาเรียนธรรมะปับ๊บวันนี้ทําไมเราปล่อยปล่อยไปทั้งวันโดยที่เสียหายไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าทําไมเราเราปล่อยสำนวน ว, นว่าปล่อยกายปล่อยใจขนาดนั้น ปล่อยตานะคําว่ากายคือปล่อยตาหูจมูกลิลนกายแล้วก็ปล่อยใจไปคิดอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นก็เสียใจยเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไปรับรู้ไปเห็นไปอะไรก็ตามเถอะไม่ได้เจริญกรรมฐานกลับมาในที่สุดก็เสียใจแม้กระทั่งความอะไรก็ตามที่เราไปเห็นแล้วเราดีใจมานะในที่สุดมันก็วทบริสิ่งที่เราเคยเห็นทั้งหมดหมอญสอนเคยเห็นอะไรมันเที่ยงเที่ยงยั่งยืนมีบ้างห ตอนนั้นเห็นยังไงตอนนี้ก็เห็นเหมือนเดิ ม, มนะนะเขามาจะบอกให้มีดวงจันทร์สองดวงอาทิตย์สามภูเขาสี่แผ่นดินเท่านี้แหละที่ดูเหมือนเหมือนเดิมนะแต่จริงๆมันไม่เหมือนเดิมหรอกแต่แต่แค่เรียกว่าเอาไว้เปรียบว่ามันคงทนเนี่ยนะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาแผ่นดินะเนี่ยพวกนี้แหละที่มันเหมือนเหมือนเดิมหรืออากาศอย่างเงี้ยนะที่เหลือ จริงๆอะนะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลงหมดนั่นแหละอนนันแต่เขาว่าเอาไว้เปรียบในสิ่งที่มันยั่งยืนนะนะมันมั่นคงเนี่ยเขาเรียกอะไรอนนีจังอะไรเรียกอะไ ร, ร, ร, ร, ะไรนะสัตตะนั่นนะเที่ยงั <c oughs> ้นสรุปว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เราเห็นสิ่งนั้นนํามาซึ่งความเสียใจจนได้เลยนะเสียใจจนได้โดยที่สุดแม้กระทั่งอะไรอ่านพระธรรมนะ อ่านถ้าทําตอนอ่านนียทุกข์ก็ทุกข์ก็ได้ใช่ไหมตอนแม้กระทั่งบางครั้งอ่านแล้วเข้าใจดีมากวันหลังอ่านไม่เข้าใจอีกก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยก็นํามาซึ่งเนี่ยสรุปว่าทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องนํามาซึ่งทุกข์กัทุกข์วิปริณามาทุกข์และตัวเขาเองก็เป็นสังขารทุกข์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบอกข้าเธอจะคิดนะให้คิดไว้เสมอว่านี่ทุกข์นะครับก็จะเริ่มนะเห็นผู้การบอกนี้ทุกข์เห็นะ ถ้าคุณนายคิดอย่างนี้ได้ก็แจ๋แลวละเห็นผู้การเมื่อไหร่บอกนี้ทุกเออก็จริงอะ่ะจริงไหมล่ะผู้การปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับจริงไหมล่ะก็ตุกกันนะเดี๋ยวกัหัวเราะเดี๋ยวก็เลิกหัวเราะแล้วจะไม่เป็นวิปริตนามาทุกขอีกห้าสิบปีเนี่ยคิดว่าจะได้เจอกันในสภาพแบบนี้หนไหมถ้าผู้การอายุอีกห้าสิบปีอายุเท่าไหร่นะร้อยสาร้ยี่สิบ น, นะ 130, ตอนนั้นไม่ใช่พระนนท์แน่ไม่ใช่นางวิสาขานั้นก็สรุปว่าสังขารทุกข์นั่นเองอนะนี่ทุกข์กับทุกข์นี้วิปริณามะทุกข์นี้สังขารทุกข์ถ้าเป็นผู้มีปัญญาแต่ว่าวิปัสสนานะถ้าใครมองบอกกําหนดแค่ปัจจุบันนะไม่เข้าใจคำว่าทุกข์อันนี้หรอกถ้าคิดอยู่แค่ปัจจุบันนะแค่เห็นเนเนี่ยสีเนี่ยเท่านี้ ถ้าคิดอยู่แค่นี้จะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ทุก์จะไม่เห็นว่าวิปริณามะทุกข์จะไม่เห็นสังขาระทุกะนะเอานี้ทุกะนะเห็นหมอยุ่พินปับนี้ทุกหมอยพินป่วยเป็นไหมล่ะทุกข์ก็ทุกแหละเดี๋ยวกายหัวเราคลิกๆเดี๋ยวก็เลิกแล้วเพราะไอ้โสมนัสก็เที่ยงไหมล่ะก็ไม่เที่ยงแล้วอีกห้าสิบปีจะเจอกันมาอีกไหมหวังว่าอีกห้าสิบปีคงได้เจอคุณหมอยุ่พินไหม ไม่เจอแน่ะนะเพราะสีปีที่แล้วดูแข็งแรงกว่านี้เยอะตอนที่มาใหม่ๆนะเห็นคุณหม อ, อยุพินแข็งแรงกว่านี้จริงๆนะนะสี่ปีเองนะตอนนี้เอ้ชักแย่แล้วนะของมานะเมื่อสี่ปีที่แล้วยอมนองว่าพาดเด็กๆอยู่เลยตอนนี้เป็นหลวงพ่อไปแล้วนะนะนี่นะเจอกันสิปีใหม่บอกอา้าวหลวงปู่ไปที่ไหนมาอย่างเงี้นยนะแย่เลยอาจจะไม่อายุไม่ถึงก็ได้นะ สรุปว่าฝึกคิดวันนี้ทุกถ้าไม่คิดอย่างนี้นะนิพานเนี่ยโอ้ยไม่อยู่ในความคิดเลยอะเชื่ออยังไงก็จะไม่เข้าใจคำว่านิพานหรอกทีนี้เมื่อรู้ทุกอย่างนี้นะแล้วก็สาวบอกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยเดี๋ยวนะเฮ อ, อดีใจไปเถอะเหมอนนนะนะพูดเคยเคยได้ยินนะเคยถูกพ่อแม่ว่าไหม เออดีใจเพื่อเดี๋ยวจะเสียใจอย่างนั้น น, นะนะคำประเภทนี้เคยได้ยินบ่อยไหมเออทำเป็นดีใจเข้าไปเนี่ยนะทำเป็นเพลินเข้าไปเดี๋ยวก็เดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินทั้งหลายเนี่ยคือเหตุแห่งทุกเพราะว่าคำว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสมุทาจารุกับวัตตมูล พ่อแม่ทั้งหลายผู้ใหญ่ทั้งหลายในโลกนี้ส่วนมากก็จะบอกว่าเออทำเป็นดีใจไปเถอะเดี๋ยวก็ทุกอันนี้คืออะไรทุกหลังจากการสแสวงหาทุกจากการมีปัญหาในในสิ่งเหล่านั้นนะนะระวังน้ำตาจะเทีหรวเขาก็กลุ่มนั้นแหละพวกเนี้ยนี่คือทุกเพราะกลุ่มสมุทาจารุทุกเพราะวัตถุนั้นมันมันแปรปลอมมันกําเริบก็เสียใจแบบที่เห็นเนนะนะ เออทำเป็นดีใจที่ได้หลานไปเถอะเดี๋ยวหลานป่วยแล้วจะรู้สึกเหมือ น, นั่นอย่างเงี้ยนะเออดีใจไปเถอะที่ได้อันนั้นได้อันนี้นะเสร็จแล้วก็จะเสียใจไป็นต้นนะในความเพลิดเพลิน <s> สมุทยัยคือตันหาเนี่ยนะนันทิหรือตันหาเนี่ยความเพลิดเพลิน <s> เนี่ยทำเป็นเพลิดเพลิน <s> ไปเถอะเดี๋ยวก็เสียใจนั่นแหละนะเหมือนอะไรเหมือนเห็นคนบิดมอเตอร์ไซค์แบบมีความสุขเลยใช่ไหมเออทำเป็นมีความสุขไปเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็เดือดร้อนกลับมา ใครที่มีกายนะทําเป็นเหมือนกับยิ้มระรื่นโดยอาศัยกายนี้เอาเถอะเดี๋ยวก็ถูกพยุงแขนขาซ้ายานะผูกพยุงซ้ายขวาเข้าโรงพยาบาลนะดีสมัยนี้มีเปลหามีเก้าอี้มีอะไรพอเนี่ยนะไม่งั้นก็ถูกหิวมาหิวปีกสองข้างอนะ้รนะนะส่งโรงหมออีกแล้วอันนั้นนะท่านก็บอกว่าเพ้นนี้คือทุกข์เพราะการสแสวงหาสรุปว่าสแสวงหาวัตถุใดบ้างไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยนะ สแสวงหาวัตถุใดมัง่งไม่เป็นไม่เป็นทุกเลยนะสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะโดยมากก็พุกการว่านะไม่มีง่ายสักอย่างงั้นนะก็ในที่สุดเนี่ยทุกพราอการแสวงหาเป็นต้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้กลัวตัวนี้มากกว่าทุกที่เป็นมูลของวั ต, ตะมาจากความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้น เมื่อใดที่เราเห็นเราได้ยินเรารู้กลิ่นรู้รสนึกคิดนะนี้เหตุแห่งทุกข์ น, นะคือถ้าคิดทุกข์มากๆแล้วมันจะเลยว่านี้ทุกข์นนะกขัสมูทัยอนนะไรนี้ทุกขสมูทัยอะนรเนี่ยเห็นเนี่ยนี่ได้ยินเนี่ยนี้คือทุกขสมูทัยนี่นี่คือการสร้างเหตุแห่งทุกข์อยู่นะ เพราะว่านันทีหรือสมุทัยตันหาตัวนี้เขามีอะไรเป็นบริวารเขาบริขารหรือบริวารของตันหาคือกรรมเพราะฉะนั้นถ้านันทีหรือสมุทัยเท่ากับมีอะไรมีแม่ทำเป็นดีใจไปเถ อ, อ, อะเหมงอนันนะเสร็จแล้วก็กรรมก็จะกำเริบแล้วทีนี้ ถ้ายังมีตันหาอยู่นะกรรมแม้กระทั่งเมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วอันนี้พูดแบบให้เน้นเี่ยนะแสนโกรธกลับที่แล้วนะถ้ายังเหลือไอ้ความเพลิดเพลินนี่อันเดียวหรือถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาจนแทงตลอดอริยสัจอย่าคิดนะว่ากรรมเหล่านั้นจะลืมมันไม่ลืมเด็ดขาดนั่นนะแล้วก็นี้ทุกขสมุทยัยเมื่อใส่ใจแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆขึ้นว่าความที่ทุกขกับสมุทัยไม่มีเรียกว่า นี้ทุกขนิโรธ น, น, นี่คือความดับทุกข์เขาเราียกว่าพลิกตรงกันข้ามมามาคิดใช่ไหมพลิกตรงมาตรงนั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสุขจิตก็โอนไปอย่างนี้ว่านี้ทุกข์นิโรธนี้คือความดับทุกข์นี่คือความดับทุกข์นั้นก็ต้องมาอ่านะสามอย่างเลยนะนี้ทุกข์นี้อะไรนี้เหตุแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์ ถ้าไม่คิดสามอย่างนี่นะใครที่จะยินดีในสมถาวิปัสนาเป็นไปไม่ได้ของมาไม่แปลกใจหรอกที่หลายท่านไม่ไม่ยินดีในการเจริญสมถาวิปัสนาไม่ยินดีในการเจริญกุศลเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสัจจะข้อที่สี่ถ้าพื้นฐานวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธไอข้อปฏิบัติเพื่อทุกขานิโรธใครจะเจริญเนาะ เพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ยินดีรอกในสมถาวิปนนะัสนาในอ่ะนะอธิศีลก็ไม่ชอบสมมุตินะแบบหยาบหน่อยบอกรักษาอุโบสถมดียังไงข้าวเย็นก็ไม่ให้กินนั่งก็ไม่ให้ดูเพลงก็ไม่ให้ฟังไม่เห็นสนุกอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคือเห็นมันเป็นภาระไปหมดแล้วเห็นศินนี่คือตัวภาระยิ่งเห็นสมถะก็ภาระอีกกูนี่ใครจะไปทําได้รักษาตอนนั้น วิปัสนาเนี่ยโอต้องทุกอารมณ์เลยหรือว่ามันเรื่องเรื่องเยอะนะสรุปว่าไม่ต้องเจริญวางั้นเถอะพันการคิดในสัจจะทั้งหมดเนี่ยนะนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนรโรธนี้ทุกเนรโรธ่าคาม่มีปฏิปทาต้องนึกสามสามข้อแรกให้ดีๆเลยนะสัจจะเนี่ยนะสัจจะที่เป็นทุกสมุทัยเนี่ยเป็นสังขารธรรม นิพพานก็คือวิสังขารเนี่ยจะต้องมาคิดลักษณะแบบนี้บ่อยๆแล้วรู้ว่าไอการเจริญอย่างนี้นี่แหละคือทางแห่งความดับทุกข์ความเห็นอันนี้เป็นอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ต้องต้องจะมีอันนี้ให้เป็นเบื้องแรกก่อนนะสัมมาทิฏฐิมัชฌิมาปฏิปทานิี่ยากอย่างนี้แหละ น, นะเพราะขึ้นต้นด้วยความทำความรู้ความเข้าใจให้มีถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะ ไม่รู้จะเจริญยังไงในสัจจะการมรฐานนีนะสัจจะการมรฐานเนี่ยยากพระก็สรุปว่าฝึกคิดวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธทั้งคำมีปฏิปทาอย่างพวกทุกข์ก็คือโดยมากนะก็คืออันนี้ทุกขตาหรือทุกขลักษณะวิปรินามะทุกคืออะไรอานิจจังเข้ไปอันนี้ทุกขังใช่อันนี้อานิจจัง อันนี้ก็อนัตตาอันเรื่องการใส่ใจโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนะมันก็อ่อนอ่ะเพราะเราไม่คิดแบบนี้ทุกเป็นต้นถ้าไม่คิดอย่างนี้บ่อยๆนะจะไม่เห็นคุณของนิโรธเมื่อไม่เห็นคุณของนิโรธเนี่ยจะไม่ภาคเพียรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนอให้เห็นโทษของวัตตะจะได้คิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามจิตก็จะน้อมไป ไปไปสู่พระนิพพานเมื่อจิตน้อมไปสู่พระนิพพานเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าประชมรวมกันเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกว่ามัคมัคแปลว่าธรรมชาติที่สแสวงหานิพานตัวของมัคนีคือหานิพานหรือใครต้องการนิพานต้องเจริญมัคอันนี้นี่คือคําว่ามัคเนีใครต้องการบรรลุหนิพานต้องเจริญมัคหรือ ธรรมชาติของมรรคนี่แสวงหานี่ผ่านมันสัตว์จะต้องเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้เพราะนั้นก็ฝึกค่อยๆทำความเข้าใจนะแต่ถ้าจะเอาไปเจริญไปบริหารก็นี่ทุกขหัวเราะไปเถะนิน้หัวเราะนนี้วิปรินามทุกใช่ไหมเห็นเขาเสียใจเห็นเขาทุกข์กายปวดหัวตัวร้อนยุงกัดก็นี้ทุกข์ทุกนะแต่เชื่อไหมว่าคนทุกคนเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สามประการ นทุกคนเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุก3ามประการันนญาติทั้งหลายของเราทุกคนเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกกระทุกวิปริณามทุกเดี๋ยวก็สังขารทุกตัวพราะถูภายในเราก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกสาประการนั้นการคิดเรื่องนี้ทุกเนี่ยคิดในวัตถุทั้งภายในสายใจในวัตถุทั้งภายนอกเมื่อใครครวญแบบนี้บ่อยๆจะรู้ว่าศีล น, นี้จาเป็นมาก ถ้าศีลไม่ดีมันไม่ไม่บอกวันนี้ทุกหลอกกันนะนี้โทสะแทนน้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนี้โทสะเพราะศีลเนี่ยปฏิปักษต่อโทสะถ้าสมถะไม่ดีเนี่ยนี้นี้ทุกนี้ราคะสมานี้มีนกตายมีโนะครับเอาไปก่อนนะค่อยคยคุยกันทีหลังนะพันธะไม่ใส่ใจว่านี้นี้นี้วิปริณามาทุกเป็นต้นนะอะไรเกิด ราคะเกิดเพราต้องเจริญสมถะเพราะสมถะเป็นปฏิปตัติต่อต่ออะไรต่อราคะเนี่ยนนี่สังขารทุกขอย่างไงถ้าไม่คิดอย่างนี้นลยวิปัสสนาก็เจริญไม่ได้เพราะโมหะก็ก็เอาไปหมดนั้นถ้าไม่ เ, เหตุผลของสัจจะสี 4, เนี่ยสัมพันธ์กันทั้งหมดทีนี้ที่ในสูตรที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะนิพ ต, ตัตยานิพานสูตรเน้นกล่าวว่าถ้าไม่มี ทุกข์นิโรธคือนิพพานอันนี้นะออกจากทุกข์ทุกวิปริณามทุกขสังขารทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะที่จะดับนั่นที่ดับตัณหาไม่ได้ถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะอย่างไรเสียจักต้องยินดีในสังขารสรุปว่าถ้าไม่เห็นนิพพานยังไงก็ต้องชอบสังขารแน่นอนอะนะสังขารต้องเป็นที่มายินดีอย่างแน่นอนทั้งที่จะไม่ให้ยินดีในสังขารก็คือการเจริญ วิปัสนาเนี่ยนะสายใจไว้เสมอวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเป็นต้นอันนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจากสมุทัยจริงๆแต่ว่าเป็นการเจริญในเบื้องแรกเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นวิปัสนาเบื้องต้นที่เราต้องฝึกเจริญฝึกสายใจฝึกคิดทําให้มากแต่ถ้าไม่เจริญอย่างนี้เนี่ยนะไอ้ที่จะออกจากวัฏะถึงจะกลัววัฏถะปานใดก็ตามถ้าไม่เจริญมั้งเนี่ยนะยังไงก็ออกไม่ได้ถึงปรารถนานิพพานปานใดก็ตาม ถ้าไม่อบรมมัตตไม่อบรมปัญญาพิจารณาอริยสัจยังไงก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะก็หมดเวลา